و َ ت َ ق ُ و ن ُ سُهَادَ أَعْلَانَ النَّاسِ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ و َ آ ت ُ و ا ا ل ز َّ ك َ ا ة و َ ع ت َ ص م ُ ب ا ل ل َّ ه وَهُوَ َ ل ا َُ م ََْ ت َُ ب ا ل ل َّ ه ِ وَهُوَ م َ و ل ا َ ك ُ م ْ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 و ่า ه, إ إ الله ه ش ดว่าเเล้ ل อิลล้าอิลล ا าอัลลอฮฺวะเพดะห์วะ عبد ห์วะรัสูลฺอัลลอฮฺมะบิกะัศบะห์น่า ن ะบิ و ะัมซายน่าวะบิกะนะฮียะวะบิกะนะมุตฺวะเอยลัยกะนะชูร์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 ا ل l a h u m a i, a f في بدني و ع ف ي ن ي في سمي و ع ف ي ن ي في بصري سبحان الله و ب ح م د ه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وמידة كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนรักทั้งหลายครับอัล เราต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาาังค์เด็ดคำว่าชุกรแปลว่าขอบคุณเนี่ยสั์เดิมเนี่ยแปลว่าชุกแปลว่าสัตว์จะเป็นแพะเป็นแกะเป็นวัวเป็นควายอะไรก็ตามกินหญ้าคือได้อาหารเล็กๆน้อยๆแต่ให้น้ํำนมเยอะนั่นจะเรียกว่าชุกรสั์เดิมของมันเนยนะสัตว์ ได้กินหญ้าหรือกินอาหารเล็กๆน้อยๆแค่นี้ให้น้ำนมน้อยจำให้น้ำนมเยอะธรมรมดาของน้อยกินน้อยก็ต้องให้น้อยใช่ไหมนี่กินน้อยแต่ให้เยอะนี่ไป็นคำอธิบายของคําว่าชุกรุนถ้าอามาใช้กับคนการใช้กับสัตว์นะถ้าใช้กับคนก็คือคนที่ได้รับเนื้อมามัดจากอัลลอฮ์มาแต่เราเนี่เนื้อธรรม ทั้ตัวเลยใช่ไหมที่อัลลอฮ์ให้มาหูตาจมูกเนี่ยร่างกายเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาโดยไม่ได้ขอเนี่ยไม่ได้ขอสักนิดนึงอัลลอฮ์ให้มาและอิสลามอิมานอัลลอฮ์รอซูนแล้วไม่ได้ขอน่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยพราะฉะนั้นคนที่ได้เนี่ยอามัตส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยต้องชุกค ต, ต่อ Allah, อัลลอฮ์เยอะเยอะต้องตอบแทนให้อัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องสุญูุต่ออัลลอฮ์ต้องสิเกตถึงอัลลอ ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆโอกาสนะครับฉะนั้นเราต้องรำนึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาขอบคุณอัลลอ์ตอนเราตื่นนอนว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮอัลัยนะบะอาดามะอามาตานาวาฮิลาฮินนชูรในขณะที่แพ้แกะวัวควายไม่ได้สูดดูไม่ได้ยกเกตถึงอัลลอ์แต่เรายึเกตถึงอัลลอ์คนกาเฟ่ขึ้นครึ่งโลก ขึ้นประเทศไม่ได้ไ <upright> ม่ได้รำลึก <cone> ถึงอัลลอ์เนี่ยทางที่นอนบนที่นอนของอัลล์ออกซิเนของอัลล์แอของอัลลอ์อัลล์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เคยขอบคุณอัลลอ์ุบฮานะบอลแตกต่างกันนะฉะนั้นเราต้องชุโกตต่ออัลลอ์เยอะๆก่อนจะออกจากบ้านอ่านอาว่าไงบิสมิลลาฮิระห์วะลาห์ะลาหลวะลาลวะลาวะลลาลลาห์า จะขึ้นรถจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งรถจักรยานก็ตามพอนั่งบนรถบางไงสุาพบิสมิลลาฮิลลอฮุวกััลลอฮกััลลอฮ์วะกบัลสุบฮานัลลดีซัครอละนะฮะเดวะมะคุณะละหูมุกรีนีนวะอินนาอิลารบบนาเดมุงตอริบูนสาหรับคนที่เดินมาจากบ้านใกล้มัสยิดเขามีออ่านอีก Allahu um al Allah um al al Allah m a j a um ah l fit Allahu m at a Allah, Allah, j a fi قلب نوران و في سمع نوران و في بصري نوران อัลลอฮดูอามีตลอดเวลาพอมาถึงหน้ามัสยิดทำไงดีนึกต้องเอาเท้าขวาเข้ามัสยิดอัลลอฮฺมัฟตัฮลีอับูอัลบรัฮมานที่กันคนอ่านสุลลวาดนบีก่อนอัลฮะมดุลีละนี่เป็นอะไรนะคุณลักษณะของมุสมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮต้องรำลึกถึงอัลลอฮฺยึดถึงอัลลอฮฺตลอดเวลา ยมีดูอาตอนเชา้าอยู่ะหลักจากนมาสซุโบเสร็จแล้วนั่งอ่านคุราสักยี่สิบนาทีขึ้นชั่วโมงและอ่านดูอาอดกเย็นถึงลอตอนเชา้าที่ผมอ่านนำมื่ อ, นนมมอกี้เนี่ยอะไรนะนัันหกเจ็ดดูอาเองมีทั้งหมดสิบเก้าดูอาตอนเย็นอีกสิบเก้าดูอาก่อนจะนอนเองมีคุรอาสุลตัาบารกาลารบียาดฮิลมุลกุชีวิตเราผูกพันกับอัลลอฮ์เขาเรียกว่ารอมบานียิน โยมกับอัลลอ์อยู่ตลอดเวลากลอลงตายอยู่สิสนางามห้อัอยู่เลยยังไม่ตายไม่รู้รกครับพอตายพักนียอัลลอ์ Allah อยากจะอยู่มีชีวิตมาอีกก็ได้มาทำอามัี่อ์อิล้วทั้งหลายนะครับขอบคุณอัลลอ์ที่เรานั่งเรียกว่ายัตลูนะกิตาบัลลอฮ์อ่านคุณอ่านฟีบูยูติลละในบ้านฟีบยตินมินบูยูติลละในบ้านของอัลลอ์มาถึงมัสยิด วยายาจัดารอสู้น่ะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ขณะนี้เราก็ลั้งศึกษาหาความรู้จากอัจริย์อัลกรุรอานนะครับอทัมดยลิลแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮ์นั่งก็อย่าลักก็แล้วกันทำไมเพราะอากาศนี้อากาศน่าลับอากาศเย็นๆ น, น่าลับมากแต่คนที่นอนอิ่มกลาคืนแล้วเนี่ยเขต้องสุขขต่ออัลลอฮ์โดยการตัตดับบทอ่พิจารณาคําแปลของอัลกรุรอานแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคํา เราทบทวนกุรานมาเนี่ยยี่สิบสองปีก็ยี่สิบสองสุรนี่สุรที่ยี่สิบสามในอาทิตย์หน้าอินชาละนะสุรที่ยี่สิบสามถ้าเราไม่ตายก่อนนะ <c oughs> ได้มีโอกาสได้อ่านสุร้อนอัลมุมินูนอัลฮัมดุลิละอาวันนี้มาสามอายะสุดท้ายของสุร้อนอัลหัจหมุตกี้ที่เราสูยูตีลาวะสูยู่ตีลาวะเนี่ยเขาเรียกว่า มีทั้งหมดสิบสี่แห่งในคัมภีร์กรุรอานมีทั้งหมดสิบสี่แห่งท่านนบีเนี่ยสุญูตีลาวะนะครับนบีเคยอ่านสุร้อนะจมมุที่ตครมักกะก่อนที่จะอพยพไปอินนพรมาดีนะแล้วท่านก็สุญูตีลาวะและบรรดาอสวาวาสุนบีก็ตุสุญูตีลาวะตามนบีหมดเลยถามว่าระหว่างสุญูตีลาวะนี่นะอ่านอะไร ก็อ่านด้วยอาบุติลสุดูธรรมดานหล่ะ س ุ ح ا ن อัลลอฮฺอัลอาลัย سبحان อัลลอฮฺอัลอาลัย سبحان อัลลอฮฺอัลอาลัอัลลอฮฺอัลลอฮยิงย่งใหญ่ น, นะครับฉะนั้นแต่ทัศน์ของอิห ม, ม, มัม่นนั่งอ่านตับซีเมื่อคืนมา่อคืนเนี่ยทัศน์ของอิหมั่นชาฟนี่ละอิกหลายหลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสุดดูติละวะ ทัศน์ของอิหม่ามพาณีเนี่ยบอกว่ามันต้องสุญญ์ยุตนะอาย่านี้นะแต่บอกอาย่นี้มัต้องสุญญนะ์ ย, นะตยุตยเพราะต้องจะต้องสุญญ์ยุกรู้กอยู่แล้วแล้วก็สุญญ์ยุตอยู่แล้วทัศน์อิหม่ามนะไม่เชื่อก็ได้เพราะไม่ใช่ไม่ใช่นบีเข้าใจไหมทัศน์ของอิหม่ามไม่มาใช่นบีไม่เชื่อก็ได้เราเชื่ออิหม่ามใดก็ตามที่มีที่ อ, อะไรนะที่คิดเหมือนนบี ถ้าคิดเหมือนนบีตรงกับท่านนาบีแล้วก็ยึดคนนั้นตนัวรูว่าคนยึดศีลมันทำได้ไม่ได้เลยอย่างเนี้ยนามาดอะไรเนี่ยนามาดซุโบเนี้ยอิหม่ามชมัฟนีต้องดู อ, อะไรนะดูอากูนูดใช่หไหมละ่ะแต่บรรดาอากูนูที่อิหม่ามชมัฟอียกมาเนี่ยเป็นฮะดีสดอยอ่าเฮมานจะนั่งรับก็ไม่ตามส่วนนี้ บาปไหมไม่บาปครับเพราะอิหม่ามชาฟอีไม่ใช่นาบีเพราะอิหม่ามชาฟอีมมเคยสอนบอกว่าอิยาซอฮัลฮัดดิฟาหัวมาตาบีฮัดษดษใดก็ตามที่ฉันนำเอามาถ้าพวกท่านอยู่ไปเรียนไปอยู่ไปเรียนไปไปพบว่าฮัดดิสที่ฉันนำเอามาเนี่ยมันไปข้านกับฮัดดิสที่ท่านนาบีปฏิบัติให้ทิ้งของฉันแล้วก็ไปยึดของของท่านนาบีแทนใช่ไหม ทุกอิมามเขาเขาเขา ก, เขาก็เขาประกาศชัดเจนใช่หไหมนะ่ะอย่าคิดว่าของฉันนะถูกหมดบางทีฉันได้มาแค่นี้แหละมีความสามารถหาหะดิษมาได้แค่นี้แหละแต่ที่ไหนได้เป็นหะดิษที่ผิดก็มีที่ไม่ถึงนบีก็มีทุกคนเขาประกาศชัดอย่ายึดของฉันตายตัวไม่ได้ฮะยึดของนบีตายตัวนะครับอันไหนถูกก็ยึดไม่ถูกอย่ายึดฉะนั้นเราท ำ, ท ำ, ท, ำทำตามพี่นบีสอนแล้วก็ทําตามพี่อิมาม ทั Find them? Find them? Find them ้งสี uh ่มรักนะสนนะครับดังนั้นเราไม่ได้แอนตี้ใครนะใครจะถามก็ทำไปเราไม่ว่าแต่จะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับขอบคุณเราเรามาทบทวนอันอุปนิอันวันนี้อายาที่77นะครับเอย أ ي า ا า ل ذ ي ن آ อ ن วัสจ ع ด ا وسجدوا و ع ب د บบ ربكم و, و, و, و ا ف ع ل الخير لعلكم َََُ تفلحون َُ وَيَعْلَمُ مَا أ اللَّهِ ت ُ ج َ ع أ ُ م ُ و ر ُ ยาลัมมาเบนไอเดหิมว่ามา خ ฟ ف หุม وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر ขยานี้อัลลอฮต้องการจะเล่านะว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮน่ะแค่ไหนยาลัมมาเบนไอเดหิมยาลัมมาแปลว่าอะไรนะอัลลอฮทรง รอบรู้อัลลอฮฺอักบัดยากล่มอัลลอฮ์ส่งรอบรู้อัลลอฮ์สรงรู้มาใบานาไอดีหิมที่อยู่ข้างหน้าของเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ส่งรู้ที่อยู่ข้างหน้าของเขาเหล่านั้นพี่น้องถ้าอา่านกุณอ่านอย่างเดียวไม่อ่านตัฟซีน่งงเหมือนกันอนะ่ะผมอ่านตัฟซีนครับเนี่ยก็อธิบายไว้สามอย่างคําว่าท้ายนะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพวกเขา ว่ามาคอนฟะฮุมและที่อยู่ข้างหลังของพวกเขาก็อธิบายไว้สามรายการตับเซนนะจากหลายๆเล่มนะครับจากอิฟนุกัสเรตับซนไบบาวีตับเซนคาชัฟอ่านอ่านอ่านหลายเล่มเนะี่ยแล้วตับเซนที่เป็นภาษาอุลดูที่เอาบบพิมพ์มานะผมก็เอามาเปิดประสานกันอธิบายอย่างนี้บะมาไบานาไอดีฮมิมอัลลอฮ์ทรงรับรู้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอธิบายอย่างนี้ อ l l a h ทรงรอบรู้ก่อนที่จะสร้างมาลลอิกะและก่อนที่จะสร้างบรรดานาบีขึ้นมาในโลกใบนี้เรามีแปลนไว้แล้วไง <c oughs> มีพิมพ์เขียวไว้ก่อนแล้วไงจะมีนาบีมีมลลอิกะมีนูนมีนี่รู้หมดแล้วนะครับวามาคอนฟะฮุม ah um แล้วก็ในอนาคตของพวกเขาเรื่องอนาคตข้างหน้า แล้วก็เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีตอัลลอ์รู้หมดเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังนี่เป็นคำอธิบายของอุลมามะเรื่องที่สองอธิบายอย่างนี้ยะละมุมาใบนาอดีฮิมว่ามาคอลฟะฮุมอัลลอส์ทรงรอบรู้ที่อยู่ข้างหน้าของพวกเขาคือชีวิตในโลกอาคีรอาชีวิตข้างหน้าเนี่ยมาถึงชีวิตในโลกอาคีรอว่มาคอลฟะฮุมล ชีวิตข้างหลังของพวกเขาคือชีวิตบนโลกดุนยาจางโลกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคั้นฝุนอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็คือโลกอาเทรออัลลอฮฺทรงรู้ว่าดุนยาใบนี้มีอายุกี่วันและคนที่อยู่ใบนี้มีเท่าไรที่ตายเท่าไร่ที่แท้งเท่าไรและที่ฝังอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์รู้หมดเลยเนี่ยบางครงอัลลอฮ์จะ ต, ตายที่ไหนก็ตามแต่รู้หมดแล้วก็สิ่งเยอะก็ทําไว้ทั้งหมดรู้หมดเลยแล้วก็ เรื่องข้างหน้าในโลกอาคิรอบก็เหมือนกั น, นกใครจะตกนโกใครจะเข้าสวรรค์ใครจะยีอยู่ในทุ่งมาซาต์กี่วันกี่เดือนเอาก็กำหนดไปหมดแล้วรู้หมดแล้วเลยเอลัลฮัมดุลิลละและวันหนึ่งของอลัลลอ์เท่าไหร่เท่ากับพันปีที่อธิบายมาแล้ววันหนึ่งของอลัลลอฮ์มีสองอาย1พันปีกับห้า0มื่นปีฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะถ้าอยู่สองสองชั่วโมงเท่าไหร่แปดสิบปี ถ้าอยู่ชั่วโมงหนึ่งสี่สิบปีถ้าอยู่หกสิบปีก็ชั่วโมงครึ่งฉะนั้นชีวิตของเราแค่สองชั่วโมงบนดุนยญญานี้จะให้ตกนรกทำไมเป็นข้อคิดต่อมาเลยเรื่องที่สามครับยาลมมาบบยนไอดีฮ <c oughs> ma ah um. <c oughs> ิมวะมคขลฟะฮุมอัลลอฮ์ทรงรู้คำว่า ไอ้ดีหิมมาถึงกิจการที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดกิจการงานที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดใครอยู่บนชั้นฟ้าสังเกตมีอาไรกันใช่ไหมอยู่ชั้นฟ้าเต็มไปหมดเลยฝนอยู่บนชั้นฟ้าเราทั้งหมดเดี๋ยวต้องคิดอยู่จะมีอะไรบ้างอยู่บนชั้นฟ้าแล้วก็นบีวิญญาณของนบีทั้งหมดอยู่บนชั้นฟ้าหมดเลยนบีอาดามอยู่ชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งนบีมูซาอยู่ชั้นฟ้าชั้นที่ห อยงนี้เป็นต้นและอีกสองสามสี่เขาก็ศึกษาไปได้ความรู้เยอะมากกับละคำตัวนี้เลยว่ามาคอลฟะฮุมไดะกิจการที่อยู่ในแผ่นดินค่อลฟะรัวแผ่นดินอัลสมาหมายถึงชั้นฟ้าอย่างนี้เป็นตนนี่คือพิคำอธิบายของอุลมามะทั้งหมดนะครับยาลัมุมาเบย์นัยดีฮิมว่ามาคอลฟะฮุมอัลลอฮ์ทรงรู้ที่อยู่ข้างหน้านะครับของพวกเขา และที่อยู่ข้างหลังของพวกเขาคําว่าคนทรงทรงรู้เนี่ยอุลมะอธิบายดีนะมีอยู่สี่รายการหนึ่งรอตี้บุญอัลลอฮ์ทรงเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาข้อที่สองชะฮีดุลนอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานข้อที่สามห้าฟิรุนอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาข้อที่สีน้าฟิรุนอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือคําว่ายะลัมเนี่ยอธิบายได้เยอะมากเลยคําว่ารู้เนี่ยหมายถึง เฝ้ามองดูเราก็รู้ด้วยรักษาด้วยช่วยเหลือด้วยมีปัญหาแก้เลยปับป๊บปับปบ๊อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยนอนไหมไม่นอนอัลลอฮ์ง่วงนอนไหมอัลลอฮ์ไม่ง่วงนอนมี่สิ่งฝ่ายของอัลลอฮ์ทั้งหมถ้าอ่านไปอ่านไปจ ะ, จ ะ, จะอะไรนะจะรู้เรื่องสิ่งฝของอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรู้เรื่องเตาให้เพิ่มขึ้นปราบอะไรรู้ไหมปราบชีริกเสียนสุนานะานบีปราบอะไรปราบบิดะ โอ้โหเป็นลองฟังแล้วกุ้มใจเลยเราอุตส่าห์รักษาบินอาเอาไว้ในหมู่บ้านที่ไหนได้เรียนซุนนะเรียนไปค่อยๆปาผิดละเรื่องละเรื่องละเรื่องละเรื่องเพียงว่าปาไปเถอะบินอาเนะ่ะเพราะว่าบินอาเนี่ยทําให้เราหลงหลงแล้วตกนรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาอายาที่ไหนนะอายาที่เจ็ดสิบเจ็ดอ๋ อ, อไม่ใช่ดิยังมีอีกวักหนึ่ง وإلا الله ترجع ا ل อ م มู <laughs> <laughs> อัลลอฮุอักบัและกิจการทั้งหลายอัลอุโมดเนี่ยแปลว่ากิจการทางหลายของมนุษย์เนี่ยนะตายะแปลว่านำถูกนำกลับ Allah. อัลาลอฮฺอีลอลลอฮิตุดยะแปลว่าถูกนำกลับกลับไปหาใครครับอิลอลลอฮนำไปหาอัลลอหมดเลยเห็นไหมชีวิตของเรานี้อามันที่เราทำทั้งหมดนั้นถูกนำกลับไปหาอัลลอให้อัลลอตัดสินอีกทีหนึ่งคุร ว, ว่า ศาลเนี่ยมีบนโลกดุนยานี้เราวว้ใจไม่ค่อยได้ใช่หรือไม่ใช่มชีเงินนานาหน่อยก็ชนะเงินน้อยหน่อยก็แพ้ไอต้ตรงๆงต่างๆมันม่น้อยมากเลยนะฉะนั้นศาลอันแท้จริงมีสองสารสารดุนยากับสารอาคราิลอกศารอาคริลอนั้นอัลลอฮฺเป๊ะเลยครับไม่มีอะไรนะครับที่จะบิเ บ, บิยดเบี้ยวเอะไรมาอัดก็ไม่ได้เอะไรมาให้อีกก็ไม่ได้จะเอาแผ่นดินทั้งหมดนี้ให้อัลลอฮฺแก้ปัญหาชาติน่อยอัลลอฮฺไม่รับ อาคิดงที่เนต้นนะครับวาอินลอฮิตุรเจลอูมุดและกิจการทั้งหลายจะถูกนั่งกลับอย่างอัลลอ์ ا ن ه และ تعالى อัลฮัมดุลิลละฮ์ขอบคอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อายาที่เจยาอเยฮ์เหล่าีนั่งรักอูัสจูดูอัลกดูรับบักุม ว่าฟ عل الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا وا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ไอพ <ت ص> ี <في> ่น <ق> ้องที่อ่านอาานี้ยต้องสุญญ์นะเราสุญญ์กันแล้ว เพี่งต้องที่อยู่ที่บ้านที่อ่านอ่านอาย่านี้นะเพต้องต้องสู้หยุดนะสุยุดแล้วก็อ่านอะไรนะสุบฮะนลอรบิยลอาลาสุยุดนานก็ได้ว่าห้าเที่ยวก้าเที่ยวสิบเที่ยวสิบห้าเที่ยวก็ว่าไปสุบฮนร์บิยลอาลานะครับมาดูคาแปลครับยาอายลดีนอัลบันดาผู้ศรัทธาเอยอัลลอฮอักนี่อัลล์เชิญนะ เชิญผู้แสธาให้มีงานทำคำว่าผู้ศรัทธานต้องศรัทธากี่ข้อต้องศรัทธาหกข้อนะอาบีน้องอาจจะลืมหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์สองศรัทธาต่อมัลาอิกะสามศรัทธาต่อรอซูลสี่ศรัทธาต่ออะไรคำพีห้าศรัทธาต่อวันสิ้นโลกหกศรัทธาต่อกฎกรดกรดัดของอัลลอฮ์ แต่ถ้าเนี่ยทาเราเข้าใจหกเรื่องนี่นะเข้าใจอย่างดีนะนึกประจํานะอะอย่างเงี้เอาศรัทธาสามข้อไว้ในใจศรัทธาต่ออัลลอฮฺไว้ในใจศรัทธาต่อวันอาคิเราอไว้ในใจศรัทธาต่อกฎกรดกรดัดของอัลลอฮฺไว้ในใจอีกสามข้อไว้ไว้ข้างหน้าศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อมัลาอิกะศรัทธาต่อคัมภีร์เอาไว้ข้างหน้า อยู่ข้างในสามอยู่ข้างนอกสามดีไหมช่วยกันรักษาจะไม่ลืมเวลาเจอปัญหาอักเเด่นปั๊บนึกข้อไหนข้อหนึกข้อหกเลยออกจากมัสยิดไปเดินลมปั๊บนึกข้อหอย่าไปนึกคนอื่นมึงนี่แหละเอานุ่นมาขวางคนนี้มาขวางเราเองมองไม่เห็นเล่นเล่เองนั่นนึกข้อทอะไรข้อหเกิดภรรยาเสียชีวิตนึกข้อไหน ข้อหกเจ็บไข้ได้ป่วยนึกข้อหกต้องนึกโทษใครไม่ง่ายเหรอเห็นยังครับพอจะทําอะไรก็ตามนึกถึงซุนนะท่านนาบีจะกินข้าวกินน้ำเอซุนนะนาบีสอนอยังไงเอามือขวาเอาหัอ ว, วอกบบาตตอนล่างมือให้สะอาดนึกถึงซุนนะของท่านนาบีนี่ไงถ้าเรามี إ ي م านอยู่ในใจของเรานะ หข้อเอาัตรข้างนอกสามข้างในสามอิสลาห์ AH. ทาอะไรจะหยุดเรียกใหญ่ก็เรื่องเนี่ยกอดอก็ดัดข้อสุท้ายนี่แหละแล้วลืมทะเลาะกับคนนั้นด่ากับคนนี้ก็เรื่องกอดอก็ดัดนี่แหละถ้านึกตรงนี้เยอะๆนะสง่างามและยิม้มละหัมดุลิละอัลลอฮฺจับมาให้เรียบร้อยหมดแล้วหัมดิลิละเมื่อเข้าใจหข้อแล้วอัลลอฮฺสั่งอีกอิรกาอนะอิร์อรกาจงมรุปะ จงรู้กว่าหล่อข้อที่สองต่อมาวัสจูดูจงสูจูดข้อที่สามว่าบูดูจงอะไรนะจงเคารพพักดีรบบกุมพระผู้อภิบาลของสูเจ้าในทัพซีภาษาอุดูอธิบายดีอธิบายว่าศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเนี่ย มีอยู่สองท่าเวลาจะกราบน่หนึ่งท่านั่งสองท่ากราบและกุรานเนี่ยนะต้องการจะอธิบายว่าของฉันไม่เหมือนใครของฉันในอินเตอร์เนชั่นแนลเลยมีท่าอะไรบ้างหนึ่งท่ายืนสองท่ารูกูะสามท่าสุยูดสี่ท่าท่านั่งมีกี่ท่าสี่ท่านี่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเลย ฉะนั้นถ้าจะเอาฮินดูมาใชา่ทีสองท่าเองท่าอะไรนะท่านั่งกับท่ากราบแต่ของเรามีท่ารูกรวีอีกท่ายืนอีกใช่ไม้มนี่อะฉะนั้นถ้าอ่านคัมภีร์และใช้ปัญญาจะเห็นว่าอิสลามนี่แตกต่างกับลัทธิประเพณีทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ ค, ค่อยสังเกตนะเราจะให้ขึ้นมาตรงนี้ครับยาอิยูฮันลาดีนอามานูอับบันดาผู้ศรัทธาเอ๋ย เอือกาวใ บ, บวัชจงโคง้งอ่าท่นี้รูปหัวเนี่ยทํำยังไงมือนะครับพี่น้องต้องห่างกันนะมือเนี่ยต้องเวลาจับหัวเขา่ามือต้องห่างกันอย่าชิดกันให้ห่างอย่างนี้อย่างครับมินายบีสอนแล้วก็หลังหัวเนี่ยต้องตรงกันไม่ใช่หัวต่ําหัวเงยก็ไม่ได้แล้วก็มือนี่ไม่ต้องไปย่อนะบางคนแขนย่อแขนเนี่ยมองมองดูเสาวาาระจะกษ์อะนะั่นนะ จะคูชูวยอดีไม่ใช่สุวนหนาของนบีแขนต้องตรงเลยเนี่ยไม่ต้องไปงอไม่ต้องไปงอเอาตรงๆใช่ไหมแล้วก็หัวก็ให้เท่ากับหลังเนี่ยรุกัวัตรุกขวัตต้องตัวมาดีนานด้วยนะมไม่ใช่แป๊บแป๊บแไม่ใช่ไปแล้วนะมาต้องชา้าช้าต้องรุกขวัติใช่ไหมเอาต่อมาครับวาดวาหรือเกาจงใดนะ จงรูควะจงโค้งต่อมาครับวัสจูดูและจงกราบไอ้ท่าเนี่ยสุญูดกับกราบกับรูกวะกับโค้งนี่นะครับต้องมีดูอาอ่านด้วยน บ, บีสอนนะครับมันมีอยู่สองสามจงอาถ้าเป็นอิหมามคนอาจจะบอกนักเรียนฟังด้วยถ้าเป็นอิหมามนะอ่านสามสุบห้านบียะลออลริเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยต้องอ่านห้า สุบฮานุรราะบิยลอาลัมสุบฮานุรราะบิยลอาลยมุบฮานรบิลอมให้อ่านยาวๆหน่อยถ้าเป็นอิหมามค้นต้องอ่านสักหครั้งไม่ใช่อ่านสามเป็นมะมุมน่อ่านสามสวยเลยที่่้งเราอ่านนมาคนเดียวที่บ้านเนี่ยอ่านบทอื่นสุบฮานลลอฮวบิอะไรุบฮานะกลุมมะรบบะนาวบิัมดิกะอัลลอฮุมฟิลีนี่มันยาวสุบฮานะกลุมมะรบบะนาวะล ุบฮานะสุบฮานัลลอฮฺสุบฮานสุบฮานอัลลอฮฺรับีฮอัลัยลุบลิบุลเห็นไหมไม่ต้ออาสุบฮานะรบีฮัลอาลาตอนสุญูดให้ว่วกี่ครั้งนะธรรมดาเขาอ่านสามแต่ถ้าเป็นอิห ม, ม่ามควรจะเป็นเท่าไรควรจะเป็นห้าความคู้ช่วยมันก็จะจะมีขึ้นในตัวของเราแล้วคนที่เป็นมะมูงเราจะสง่างามไม่ใช่ไหว้เกินไปนะครับ นึกถึงอย่าช้าจนเกินไปนึกถึงเด็กนึกถึงผู้หญิงนึกถึงคนแก่ด้วยฉะนั้นเป็นอิหม่ามคนก็ต้องปานกลางนะครับอย่าช้าจงเกินไปและอย่าไวจงเกินไปนะครับ <c oughs> ยออายุวันลซีนาอามานุกะเอาบันดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงโคง้งจงรุกวัววัสยูดูแด่สุยาทั้งหลายจงกราบจงสูด ว่าอับดูรับบากุมและจงคารพพักดีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งจงคารพพักดีอัลลอฮ์ว่าบุตรําตัวเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์เขาว่าอิบะดาเนี่ยรู้ไหมอิบะดาที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัตินะั้มีเป็นร้อยมีเป็นพันนะแต่อิบะดาที่อับดุลที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือสุญญุกับรุกวะดีดีที่สุด ท่าสองท่าเนี่รูกัวสูยูดเนี่ยแล้วก็นั่งเนี่ยเป็นท่าที่ อ, ทอัาาาลลอฮ์พอใจที่สุดผมอ่านฮะดิษพบนะครับท่านมาตินั่นเป็นท่าที่อัลลพอใจที่สุดอัลลอฮ์อัลบดิเยลอธิบายที่หลังนะครับเอาต่อมาครับว่าฟ้าลุคอยท่านทั้งหลายจงอะไรนะจงกระทําความดี ว, ว่าฟ้าหมายถจงปฏิบัติอลัลคอยรอดความดี อุลามะอธิบายไปสองอย่างหนึ่งความดีทุกชนิดที่ท่านนาบีสั่งเป็นความดีหมดเลยที่อัลลอฮ์สั่งเป็นความดีทั้งหมดแต่อุลามะอยู่ท่านหนึ่งท่านอิบนะอับบาสเป็นญาตินบีซอฮบานนบีอธิบายอย่างนี้จงทําความดีมีสองสองเรื่องหนึ่งเสืตุลอาหามให้ติดต่อกับเครือญาตินี่เป็นความดีที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราหนึ่งพ่อทําดีกับพ่อเยอะๆขอดะอาให้พ่อเยอะๆ กับพ่อแม่เนี่ยให้ทำห้ารายการลูกๆนะหนึ่งอย่าพูดคําว่าอะไรเห็นอย่างครับมีใครสอนเนี่ยนี่ความรู้ที่ผ่านวาฮีเห็นไหมเพราะไหมอย่าพูดกับพ่อแม่คำว่าข้อที่สองเวลาตันทารูมาอย่าจะเพิดอย่าไล่ข้อที่สามให้ลดปีกทุกคนมีปีกไหมไม่มีระมองไม่เห็นว่าปีกเนี่ยแต่ปีกที่เอาลองให้ก็คือ ต ำ, ตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี่สจสขอสวอิมามกรรมการมาสัสยิดมีตำแหน่งไปหมดนะ่ะบันั่งอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ต้องลดปีไปหมดเลยคนระับเราเล็พ่อใหญ่ข้อที่หนึ่งอะไรนะอย่าพูดคาว่าอุฟ้ฟข้อที่สองอย่าตะวาท่านอย่าไล่ท่านข้อที่สามลดปีข้อที่สี่ให้พูดจาเพราะๆคุณพ่อครับมาจา๋าต้องพูดดีนะ่ะฝึก อลัลลรอคุยกับพรรยาร อ, อชั้นหนึ่งเลียนทัทีรักจากับพ่อกับแม่โอ้โหบางทีพูดไม่เพราะเลยทำไมอะ่ะกับลูกกับพูดเพราะกับพ่อกับแม่ตัวเองพูดไม่เพราะพรรยามนึกตรงอ่านอายา น, นี้ข้อที่5เนี่ยให้ขอด้อาอนต่ออ Allah ให้พ่อแม่ขออ้อนว่าไง่าย Robbiy fili walivali daiyahamghuma kama robbayani sawirlo ก่อนจะอ่านดวอาตัวนี้นบีสอเนี่ยมาให้ขอดอาบทนี้ก่อนเอาเอาดูอาของน บ, บียูนุสมาใช้นบียุตจะอยู่ในท้องปลาท่านอึดอัดอยู mm ่ในท้องปลานี่ใช่ไมท่านขอดวอาบทไหนนะละอีละอีละอันตะสุบฮะนักอินนีคุนตุมินัลลอลิมีเน แล้วก็รบบิฟิลลีวลวาลิยวารัมฮูมากมารอบบายานีสอรีรต้องอ่านตัวอ้างของนบียูนุสก่อนที่นบีมัดสังแล้วก็ตามดูวับบิบิฟิลลีวัลวาลิไดยวารัมฮูมกมารอบบายานีสอรีรสังงานงามครับนี่เรามีทางดูสำหรับชีวิตเอาสุนาัข น, นาบีมากำกับชีวิตอ่าข้อที่สองทีนี้คำดีกับพ่อแม่เนี่ยญาติใจชิดเราเนี่ยมีเท่าไรมีอยู่สิบคนพ่อ แม่ลูกชายลูกสาวญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่ลูกสะพ้ยลูกเขยพ่อตาแม่ยายนี่ถ้าพ่อตายลูกแม่ยายตายเหลือเท่าไหร่เหลือไม่เท่าไหรน่นี่ไอ้ที่เยอะกว่านียพี่ญาติพ่อญาติแม่นี่แหละอยู่ยาว ยญาติพ่อญาติมารีนะ่สำคัญที่สุดนะต้องไปมาหาสูนกันเยี่ยมเยียนกันนี่ไะสิละตุ่นอัลฮามติดต่อกับญาติกลายชิดตอนไปติดต่อนะหวังอะไรอืนูน่นหวังทางเดียวเลยฉันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทจนี้ญาติพี่น้องต้องช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยต้องนึกว่าฉันไปเยี่ยมญาติฉันให้เลยแสนหนึ่งหรือว่าคอยืมแสนหนึ่ง ก็ต้องดูแลเรื่องการเงินการห้ามดุรินะเรื่องที่สองครับวามากาดีมุลอัคลาหวะฟอัลลุลคอยรูอุ ล, อลมามะอิบนุอับบาสอธิบายว่าให้ติดต่อกับเครือญาติกับสแสดงมารยาทที่งดงามเราเนี่ยสแสดงมารยาทที่งดงามจะเดินจะเหินจะพูดจะจะ่าปักอัคลาห์กัท่านนาบีเลยนะอ่าเค่นจะยินเสียงอาจารปั๊บเนี่ยคนที่มีมารยาทงานทำไงนอนหรือเดิน ต้องลุกขึ้นออกจากบ้านเลยเอาบน้ำน้ำมาดแปลงฟ้านเดินมามาสยิดนี่คนมีมารยาทงามอัลฮัมดุลิลลาเอาเรื่องมารยาทงามอย่างเดียวเลยนะมีเป็นพันข้อพี่เป็นพันพันข้อเอาเอาเรื่องเดียวพอได้ยินเสียงอาจารย์ทำไงจึงตอนสุบโบเนี่ยได้ย er ินเสียงอาจารย์น่าภาคุมติตอนท่านมาใช้อักากที่ดีอักษรที่อัลลอฮฺอัลลอฮ อาคลาสิยังมาได้พัฒนาถ้าพัฒนาแล้วจะสง่างามหมดหทุกรายการเอางี้อยู่บนดุนยาเนี่ยใครชาชีวิตขมขมชีวิตขมชีวิตที่อยู่ในสอยู่ในหลักการเนี่ยนะเหนื่อยมั้เหนื่อยต้องฟื้นอารมณ์วันอาคราสชีวิตหวานน่าดูเลยครับใครที่เดินตามชีวิตหวานหวานบนดุนยาลองตายดูสิอาคราสขมน่าดูเลยเองฉะนั้นจะเอาหวานจะเอาขมเอาขมดีกว่า อาแบบลำบากระบากคนโดนยานี้ต้องฝืนอารมณ์สักระยะหนึ่งพอฝืนแล้วเนี่ยอร่อยพี่น้องครับความเคยชินมันก็จะตามมาและความอรส์อร่อยก็จะตามมาจากการฝืนอารมณ์เนี่ยทำสักระยะหนึ่งสมเดือน4ี่เดือนหเดือนไม่ช้าจะได้ยินเสียงอาจารอยู่ไม่ได้ต้องไปมสัสยิดให้ได้ไม่ไปไม่ได้เห็นบุรีมือตกเห็นกูรานมือสันอย่างเงี้ย อยากจะจับกุรอานั่นแหละฝึกอารมณ์ของเราฝืนอารมณ์ของเรานะครับอาต่อมาครับลาลกุมตุฟเลฮูนเพื่อสูเจ้าจะได้รับความจำเริญเั้นยังครับท่านจะรับใช้ชนะฟาละปรว่าเจริญชัยชนะความสำเร็จกุรอานีเนี่ยก่ออัฟละฮามันตาซักเฮ้คนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดเขาอฟละเขาจะรับความสำเร็จนะลองตายดูสิ ชีวิตหลังตายเนี่ยมันอร่อยจริงๆฉะนั้นหลัอัลละกุมตุฟเลฮูนท่านจะได้รับความสำเร็จท่านจะได้รับความจำเริญท่านจะได้รับการพัฒนาหนึ่งรุกข์กุ้สองสุญตรสามพักดีต่ออัลลอฮ์สิจงทำความดีทุกรายการนี่อัลลอ์เตือนเราตลอดเวลานะครับพี่นอ้องอัลฮัมดุริลละครับพี่นอ้องต่อมานี่นบีสอนอย่างนี้นะครับ วัฟวอลุลค่อยเราให้ทำความดีถ้าเป็นพ่อแม่คนให้เตือนลูกให้นามาต์ตั้งแต่อายุกี่ขวบกี่ข ว, วบนะเจ็ดขวบถ้าสิบขวบไม่นามาต์ให้ทำอะไรให้ตียกสูงๆแต่ลงเบาๆมาใช่ไม้หน้าสามตูมอัอว่าัไม่ใช่ยกสูงๆแล้วก็ตีค่อยอๆอัอว่ามัยังให้เป็นร้อย อยากให้เป็นรอยพรเพียาต้องนึกนะพอตีเนี่ตีเพื่ออะไรตัดวิญญาเพื่อจะอบรมเตือนไม่ใช่ตีให้ตายนบีไม่เคยตีลูกพ อ, พ อ, พอ่ะเพราะอะไรเพราะลูกนบีนบีขอดูอาอ่ะนบีขอดูอาให้ลูกตลอดเวลาถ้านเราต้องขอดูอาให้ลูกนะดูอาว่างไง ร, รู้ไหมละอิละฮะอิละอันตอ่านดูอ่านเบยุนุสก่อนละอิละฮะอิละอันตะสุบฮานะกิญเนียคุคนตุมณ์อัลลอฮ์เมิน รบบิกฟินลีให้พ่อแม่ก่อนให้ตัวเราเองก่อนให้พ่อแม่แล้วก็ขอให้ลูกรอบบานาฮาบลานามินอาซวาจินาวาซูรียาเตียให้ภรรยาด้ว ย, ใ ห, ย, วยให้ลูกด้วยพุรตตะอุยนวายานนาลิมมุตตาตีนาอยมามาต้องขอทุกวันผมได้ขอวันละสริรอบนะมาแต่มีห้าจะขอวันละสิเพราะเราเป็นห่วงลูกเป็นห่วงล้านะ่ะจะขอข้างพี่น้องอะ ทั้งโลกนี่นะให้เปลี่ยนแปลงมีศาสนาอัลฮัมดุลิลละถ้าโลกนี้มีทุกคนมีศาสนาเนะี่ยทะเลาะ ก, กันไหมไม่ทะเลาะ ก, กันเลยนะอัลฮัมดุลิลละทุกคนมีศาสนานะครับพี่นอ้องตกลงว่าอายุเจ็ดขวบภายไหนให้ฝึใกให้นามาสสิบขวบไม่นามาสให้ตียกสูงๆลง้มเบาๆแล้วก็อายุสิบขวบนะีแยกที่นอนนะอ่ะแยกที่นอน ผู้หญิงกับผู้ชายแยกกันนอนกับพ่อแม่อย่านอนเยอะนานๆนอนทีได้แต่พ่อป่วยแม่ป่วยนอนให้องพ่อแม่ได้ไหมได้แต่เวลาพ่อแม่เขแข็งแรงเนี่ยอย่าไป น, นอนก็นอยู่กันไปได้ไหมคร <laughs> ับออลลอฮฺได้กลัอานอธิบายเรื่องรายละเอียดนะเอาเรื่องที่2นะครับคนที่ไม่นมาสค์คนที่ไม่สุญูดเป็นยังไงครับอิหม่ามอาัลฮมัตบัดดาริมีวลไบฮะตีอธิบายอย่างนี้ท่านอับดุลลาบินอัมริฟนูลอัส ว่ามันล้ำอยู่ห้าฟَสอะไรฮะใครที่ไม่รักษานามานมาดบ้างหยุดบ้างล้ำตะกุลละหูนูรอนเขาจะไม่มีรัศ <c oughs> มีเห็นไ้ยในกูโบรัศมีต้องมีนะบนดุนยาก็จะมีรัศมีด้วยนะจะเดินไปไหนจะมีรัศมีจะมีนู่นคนนี่จะไปไหนก็าตามนะถ้าเรารักษาศา ส, สนาของอัลลอฮ์อัลล์ให้รัศมีบนดุนยานี้ เมื่อที่เราเดินมาขอมองคนนี้อะโอยมนุษย์มันดีนะใบหน้าหน้าตาท่าท้าที่เดินมาเนี่ยเกรงขามเลยนะ่ะใช่ไหมนั่นรัศมีจะได้มาจากการนามาทั้งหมดแล้วก็นุษย์ในอะไรนะในในในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในกูโบอย่าลืมนะในกูโบอยู่คนเดียวนะะทั้นคนที่นามาสะอาดนมาตไม่ขาดมีรัศมีอยู่ในกูโบแล้วก็รัศมีในโลกอาคิร้อด้วยในตุ่มมัสยิด ทุ่งมาชัดนะมาไม่ใช่สว่างนะมืดครับมืดอยู่มึ่งยิ่งกว่าอยู่ในถ้ำเองอะ่ะฉะนั้นก้าวขาไม่ออกนะถ้าไม่มีอิมานฉะนั้นคนที่มีอิมานเลาจะส่งวีรัศมีเดินอิมานนําทางครับคนกาเฟ่นอะ่ะอิมานไม่มีรมัศมีจะมีแ hey, คว่าเฮ้รออ้วนหน่อยรออ้นหน่อยขอเดินถ้วยมองไม่เห็นเองรอเดี๋ยวมาเองพูดแค่นี้แหละอย่าอื่นพูดไม่ได้แต่มันฉะนั้นรัศมีต้องเก็บเอาไว้ รัศมีได้มายังไงได้มาจากการนามาดห้าเวลาและนามาศราวาติบต่างๆนะครับข้อที่สองครับวลาบุรธานคนไม่มีนามาดไม่มีหลักฐานไม่มีข้อยืนยันอะไรเลยว่างเปล่า ว, วลานาจาดคนไม่มีนามาดไม่มีความปลอดภัยครับถูกลงโทษจากอัลลอฮ์เสมอว่ากนายว์มังเตียมะในวันเกียมะเขาจะอยู่กับใครรู้ไหมมาอากอรุนอกอรุนใครนึกภาพ เป็สัตว์ตัวขวารอใช่ไหมถูกสูบลงไปในดินใช่ไหมพร้อมกับทรัพย์สินของเขาใช่ไหมแค่ทรัพย์สินมีไปทําอะไรไปน้องมีเงินเยอะๆต้องคิดถึงสากากนสากาสอดรอกฮาดียะวกัฟสี่ขอกอรุณไม่เคยจ่ายสากาเลยกอรุนไม่เคยจ่ายสอดรอกเลยกอรุณไม่เคยจ่ายฮาดียะแล้วก็ไม่เคยถ่ายวกัฟไปกใครอัลลอฮฺให้สูบแผ่นดินลงมาเลยไปน้อง สูบทั้งกอรูนสูบทั้งบ้านกอรูนทรัพย์สินทั้งหมดอลัลละ์สูบลงดินหมดเลยเห็นยังครับฉะนั้นคนที่ไม่นมามาจะอยู่กับกอรูนวัฟิราวนอนันนี้พี่ใหญ่เลยเอลัลลอฮ์นี่ลีดเดอร์ใหญ่เลยเป็นคิงใหญ่เลยนะทรยศต่ออัลลอฮ์ทรยศต่อน AH, บีมูซา่าอาลยกิสซาลาเป็นไงครับจมน้ำตายคนระดับใหญ่ถูกจมน้ำตายมันเสียหน้าขนาไหนอ่ะ เนศพยังเก็บไว้มาเมยียังแจ๋วเลยเนื้อยังไม่ยุบสักนิดต่างหากอิมานกันกี่คนแล้วตรวจศพฟาโร่เนี่ยอัลชาดุอัลลออิลลอฮ์อิลลอหฉันยอมแพ้แล้วยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งตรวจยิ่งเจอดีกว่าเก่าอีกยอมแพ้หมอคริสเตียนรับอิสลามกันมากี่คนแล้วตรวจศพฟาโร่ต่อมาครับ วะฮามานฮามานนี่ก็ศัตรูของอัลลอฮ์เหมือนกันและอีกคนหนึ่งว่าอุบายยิบเนี่ยเขาลับนักธุรกิจอารับที่ร่ํารวยมหาเศรษฐีแต่แอนตี้อัลลอฮ์ไม่อังสูน์นะนบีเห็นไหมไม่มีใครก็อดสกุลนั่นเอามาดูพระยาฟาโร่เป็นไงเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมอีมานต่อใครครับอีมานต่อนบีมูซาและอิมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูาวาตานะนี่ตัวนี้เป็นข้อเตือนใจเราที่ดีที่สุดจากนั้นลูกลูกนบีนบีช่วยได้ไหม ไม่ได้นบีอะไรครับนบีนวัวอาดายชิสาลเห็นไหมลูกตัวอิมามลูกตัวครูพ่อช่วยได้ไหมถ้าลูกไม่เอาศาสนาเนี่ยช่วยไม่ได้นี่ไงเป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดนะครับอ่าพี่น้องต่อมาครับอายาที่เท่าไรนะอายาที่เจ็ดสิบแปดอายาสุดท้ายองอัลลอฮฺอัลล อ, อฮฺ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَوَجَتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف ِ ا ل د ِّ ي ن ِ مِنْ ح َ ر َ ج ٍ م ِ ن ل َّ ة َ أ َ ب ِ ي ك ُ م ْ إِبْرَاهِيمُ وَسَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ م ِ ن ق َ ب บลู وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء ع ل الناس فأقيم الصلاة وآت الزكاة وعتصم بالله هو ้โมลาคุมฟานิมัมลาวนิมันนัซีอัลลอฮฺบความรู้ทั้งหมดเลยแปดรายการเป็นความรู้ท <irring> ี่มีความรู้ได้แปดเรื่องด้วยกันวาเจฮุดุฟิลฮัตโตจิฮัดิฮุวาจะดตาบักุม وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنْ ل َ ت َ أ َ ب ِ ي ك ُ م ْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وتكونوا شهداء أعل ى الناس فأقيم و الصلاة ا وآت و الزكاة ا واعتصموا بالله هو مولكم ا فنعم المولى ونعم النصير الحمد لله بنام ความรู้ทั้งหมดเลยแปรกระายาอันทำอยู่แล้วเรื่องที่หนึ่งครับวาจาฮิดูท่านทั้งหลายจงดิ้นรนฟินละฮิเพื่ออัลลอฮฺฮักกอจีฮัดฮการดิ้นรนนั้นจำเป็นต้องมีกับอัลลอเท่านั้นนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยจงดิ้นรน ต่อสู้ในหนทางของ Allah. ขอัลลอ์การดิ้นรนต่อสู้นั้นจำเป็นต้องมีกับอัลลอฮ์องเดียวเป็นสิทธิของอัลลอ์เยเรื่องนี้สอนอย่างนี้นะครับพี่น้องภาษาอุดรอธิบายดีพราภาษาอุดรนี่นงนะคะนนรับอันนนักก็ดุรุสรกักเนปรีมหมัฮับัตปรีมิฮ์น่าจรออันนนักก็ดุรุสรกักเน ปุริมาคบัติกระเรื่องแรกก็คือให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองตัวใครตัวมันพัฒนาตัวเองลูกพัฒนาตัวเอ ง, พ, เองพัฒนาตัวการเรียนหนังสือก่อนนะหาความรู้ใส่ตัวก่อนถ้าพัฒนาไม่เป็นทีนี้เรื่องจีฮาดเนี่ยมีทั้งหมด5รายการเรื่องการต่อสู้เรื่องการดิ้นรนเนี่ยมีอยู่หรายการ รายการที่หนึ่งจีฮัดจิฮัดมาอันนับสีดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองดิ้นรนต่อสู้ดูแลตัวเองอย่าทำบาปอย่าทำชีริกอย่าทำบิดนะเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจิฮัดมาอันกุฟ่าคนกาเฟตเนี่ยต้องาการจะทำลายอิสลามใช่หรือไม่ใช่ห้ากลุ่มใหญ่ใหญ่จ้องจะทำลายอิสลามใช่ไหม เ อ, อเดก็ได้กาเฟสมุชริกโมนาฟิกยาฮูดี น, นัสโรณีใช่หรือไม่ใช่ผู้นี้รวมตัวกันตลอดเวลาทําร้ายอิสลามฉะนั้นเราต้องจิฮ่าต้องต่อสู้กับกลุ่มเหล่านี้เรื่องที่สามครับจิฮาามาชัยตอนต้องสอดคล้กับใครอีกครับกับชัยตอนหนักหรือไม่หนักชัยตอนนี่มาไม่เห็นตัวอยู่ที่ไหนวิ่งในเส้นเลือดเราเองงหนักหรือไม่หนัก <laughs> วิ่งอยู่ในเส้นเลือดเราครับคอยหยาบยานอย่าทำอย่าทำอย่าทําอย่าทํานึกจะนมาฎยานมาฎยานมาฎให้งานอื่นเข้ามาวุ่นวุ่นจิฮาดดูใจตอนข้อที่สี่ครับจิฮาดมาอัลบุกอดต่อสู้กับคนที่กบฏนี่ระดับพวกอุลามาทั้งหมดเหนื่อยนะคนที่กบฏต่อหลักการคาสั่งของอัลลอฮฺพระเปรตฐาอิสลามเหนื่อยครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยนั่นแหละชีวิตขม ชีวิตคมเนี่ยตายแล้วอร่อยหมดเลยนะครับเรื่องที่ห้าจิฮารดมาอันมุติลินต้องต่อสู้กับคนที่ไม่เอาศาสนาคนทําบาปทั้งหมดเนี่ยเห็นคนทําชั่วเนี่ยเรานั่งดูได้มั้ยนั่งไม่ได้อะต้องขึ้นไปละไปจัดการไปว่าไปบน่นไปดา่าทั้งอะไรบ้างมาต้องมีใช่ไหมนั่นจิฮาดมีอยู่ห้ารายการแต่จิฮารดที่ยิ่งใหญ่ก็คือจิฮาร์ดอันนับสิต้องดูแลตัวเองอย่าทําบาป อย่าทำบินฑาอย่าทำชีริกต่อ Allah Subhanahu wa a a l a นี่ Allah ศาสตร์ครับเรื่องที่สองครับ h u ว a huwa j a กุ b g u a l l เรื่องที่สองครับ huwa jatabagum Allah ได้ทรงเลือกสูเจ้าคำว่าเลือกสูเจ้าเนะี่ยมาถึงเลือกมุฮัมมัดให้เป็นนบีหรือว่าเลือกพวกเราเนี่ยให้ยกขึ้นมาเป็นกลุ่มชนที่อีมานต่อ Allah เนี่ย Allah เลือกแล้วนะ จะทำได้หรือล่ะจะดันเราจะทําตัวเป็นคนกาแฟได้ไหมไม่ได้กินยืนกินน้ําได้ไหมคนกาแฟมายืนกันนะเราต้องไม่ยืนคนกาแฟยืนฉีเราต้องไม่ยืนนอกจากจา เ, เ, าา เ, าจจเป็นคนกาเฟจะทําศ้อนาก็ทําได้เราทอมทาเหมือนคนกาแฟได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์เลือกเรามาแล้วแต่ต้องการจะอธิบายว่ามุฮัมหมัดนั่นอัลลอฮ์เลือกมา การแต่งตั้งนบีกับการเลือกรัฐมนตรีเลือกประชาธิทเบีไม่เหมือนกันนะประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีเนี่ยนายกเนี่ยเลือกโดยการลงคะแนนใช่หรือไม่ใช่นี่ระบบประชาธิปไตยที่กล้าอิสลามที่สูจน์เต็มชจอิสลามการเลือกอิหมามที่ถูกต้องเลือกเลือกแบบไหนอา้นาวนบีสั่งยังไงไนไหมเลือกคนที่เข้าใจกุรอานก่อน อ่านคูร์อ่านเสียงดีเข้าใจคุร์อ่านตัฟซีนได้อะไรได้เลือกก็เป็นอิมามถ้ามันเกิดสองคนเท่าๆกันมันแข่งกันหลายคนเนี่ยให้มองว่าใครที่รู้จักสุนนะนบีคนที่ไม่ทําบินอ้างอย่าไปเอามันเอาคนที่รักษาสุนนะนบีไว้ก่อนใช่ไหมถ้ามีคนเข้าใจสุนนะนบีเท่าๆกันสามสี่คนปวดหัวเอาไงดีเอาเลือกข้อที่สเลือกใครที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์เลิกทําความชั่วก่อน ูุสลิบุรีมันเลือกอย่างยังไม่เลือกอกคนที่เลือกสุโบุรีก่อนอคุณนี้ก่อนความรู้มีเท่ากันหมดเท่ากันถ้ามาเลือกบุรี่พร้อมๆกันทําไงต้องเลือกอุโสนีบีสั่งไม่อยู่สีข้อนี่การเลือกอิห ม, มัานเลือกอิห ม, า ม, มา่นมัสยิดธรรมดาต้องเลือกแบบสี่แบบสีข้อเลยนะเห็นไหมฉะนั้นแต่งตั้งในอิสลามเนี่ยแต่งตั้งคัดสรรไม่ใช่เลือกตั้งแต่ระบบ อะไรนะประชาธิปไตยเนี่ยเลือกตั้งใช่มเอาคะแนนใส่ลงไปซื้อได้ไหมเราอยู่ในวงการเมืองเรารู้ดีอย่า่นี้เป็นต้นแทนของอัลลอ์เนี่ ย, <c oughs> ย, ไ, ออยไม่มีคำว่าเลือกตั้งไม่ ม, มีมีแต่งตั้งทีนี้นะบีพูดเองนะฉันนี่นะอลัลลอ์เลือกมาจากตระกูลอะไรกีนกากันานะจากกาันาะน่าเซลล์ปิกุงกูเรช ฟาโรชเรเช็จแล้กลุมฮาชิมีฮาชิมแล้วก็มีนบีมูซอลลัมมสัลเข้ามานาบีเลือกคัดโอ้ยขนานะกุเรชแล้วก็อะไรนะฮาชิมีฮาชิมกว่าจะเลือกนบีมุฮัมหมัดมันอัลเลาะห์วางแผนมานะมาเช่า ก, กัน ง, ง่ายๆนะกันอนบด้นบีอะไนบีฮาลูนกับ น, นบีมูซาอิสลามนาบีมูซาเนี่ยพูดจาไม่ค่อยไม่ค่อยชัดใช่หส่วนฮารูนเนี่ยพูดจากเก่งมากเลย แต่เวลาจะเลือกให้เป็นนบีอลัลลอฮ์เลือกใครเลือกนบีมูซาทั้งๆ ท, ท, ที่พูดจาไม่ชัดเพราะอะไรครับเพราะเขามองอลัลลอฮ์มองที่หัวใจหัวใจของนบีมูซา่าชั้นหนึ่งเลยเห็นไมดีกว่านาบีฮารูนฮารุนพูดคร่องแต่อลัลลอ์ไม่เอาเห็นยังครับเลือกคนที่มีหัวใจสะอาดหัวใจงามจากนั้นฮุวาจัตตาบะกุ้งอลัลลอ์ได้เลือกนบีมุฮัมมัดให้มาเป็นนบีและนบีค น, คนก่อนๆด้วย เรื่องที่สองนะเรื่องที่สามาอะไรคุ้มฟิดีนิมินฮรอัลลอฮุอัวะาะคุมฟิดีนิมินฮรและพระองค์อัลลอฮ์มิทรงวางภาระภาระหนักหรือข้อยุ่งยากใดๆแก่สูเจ้าในเรื่องของศาสนา ว่าม่จะอาเล่าให้คุมฟิดดินิมินฮาราจและพระองค์อัลลอฮมิทรงวางภาระหนักคาร์ติแปลว่าภาระหนักหรือข้อยุ่งยากแก่สูเจ้าต่อการจะอธิบายว่าหลักการอิสลามแต่และข้อแต่และข้อนั้นไม่มีอะไรหนักใจเลยง่ายทำเท่ า, ทาไม่จะเกินความสามารถของมนุษย์ เราว่าบวชนี่ยแย่ใช่ไหมบวชนี่แย่ตั้งแต่ฟ้าัตตะวันตกถ้าเสร็จแล้วเนี่ยสุขภาพดีทุกคนเลยเห็นไหมห้าห้าห้าเวลาเนี่ยหนักไหมสาวว่าจหนักเหมือนกันน่แะแต่พอทาทําแล้วอันบาบัดนี่ถ้าหากนาบีไม่นบีมูซาไม่บอกกั น, นบีมุฮัมมัดนะให้ไปขึ้นนะมันห้าสิบนะไวอะ้อ่ะนั่นอลัลลอฮ์กาหนดเอาไว้ห้าเวลาเนี่ย ไม่เกินความสามารถของพวกเราฮามุดิลลามีเมียสี่คนสู้ไวเบ่าละ่ะอัลลอฮ์ให้แค่สี่เองถ้ามีความสามารถถ้าไม่ไหวกี่คนคนเดียวนี่ยความสามารถเรื่องมีแค่นี้แหละของนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้พิเศษสิบเ็ดคนวันที่นบีเสียชีวิตพญานาบีเหลือแปดคนนั่นพิเศษที่อัลลอฮ์ให้ไปน้องแต่นั้นของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้พอดีพอดีฮัมุดิลลาฮามุดิลลา ต้องการจะอธิบายอย่างนี้ศาสนาอิสลามนี่นะครับที่อัลลอฮ์เนี All ่ยอัลลอฮ์ไม่ได้วางภาระหรือข้อยุ่งยากใดๆแก่สูเจ้าในเรื่องของศาสนาประกาศจะอธิบายว่าในหลักการอิสลามเนี่ยมีข้อผ่อนผันเยอะถ้าทําอะไรผิดทําผิดทําผิดทําบาปทําบาปทําบาปเอาอะไรมาแก้อะไรเต้าบ้าเห็นไหมเอาเตาบ้ามาแก้เต้าบ้าที่บาได้ไหม ได้ที่มักกะได้ไหมที่ายตุนล้อดได้ไม้มได้นำมาที่ไหนก็ได้เตาบ้าตัวที่ไหนก็ได้ตอนนี้บางคนเข้าใจว่าถ้าเตาบ้าตัวนะ่ะต้องไปหาใครต้องไปหาอุลเรามาเหมือนแบบศาสนาคริสมันพระพระนักมีอยู่คนหนึ่งเดีบเออร์ชื่อว่าใครนะขับรถมาจากหาดใหญ่มาหาผมผมก็ไม่รู้ว่ามาหาทำไมอาจาราาขอพบตัวหน่อยเลยขับรถมาจากหาดใหญ่น่ะ พอมาถึงก็นั่งกหน้าผมเอาไมีได้เลยผมจะมาเตาบาตัวผมก็นึกเลยเอาศาสนาคริสต์มาใชาล้ละ <c oughs> อธิบายผมก็เอาสอนนู่นสอนนี้ให้อาไปอาบน้ำน้ำมาให้น้ำมาสองร้อยอัดผมอธิบายที่หลังไม่ต้องมานะเตาบาตัวเนี่ยไม่ต้องอาศัยบาทหลวงไม่ต้องอาศัยบุลามาไม่ต้องอาศัยโต๊ะอาเลัยตาบาตัวนะตาบาตัว อยู่คนเดียวก็ตะาตัวได้ไปอาบน้ำจะไปอาบน้ำนำมาดมานามาสองร้องอัดแล้วขอดูอาอัลลอฮ์จ่าจฉันขอตะบาตัวต่อัลลอฮ์ตั้งแต่วตตันนี้เลยเพราะบาปมียระบางนึกให้หมดนั่นหนึ่งสองสามสี่นึกให้หมดฉันขอตะาตัวตะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลาาลาฮิรนายนี่ไงอะไรนะว่ามาจะอาลัยคุมฟิดดีนมินฮารุอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้วางกดภาระหนักหนักหรือข้อยุญญญ่งยากใดใด เกี่ยวกับศาสนาเรื่องศาสนาเรื่องหนักไม่มีเรื่องเบาหมดเลยนะครับและอีกข้อหนึ่งอธิบายอย่างนี้ศาสนาอิสลามมาเนี่ยมาแก้ปัญหามาปลดล็อกมาปลดล็อกนะถ้าอิสลามไม่มานะเราเดินตามยิวดีเหนื่อยไม่เหนื่อยต้องเต้นรําใช่ไม่ใช่ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ต้องคริสต์มาสเหนื่อยไหมต้องร้อยกระทงทําได้หมดเลยะเหนื่อยจะตายเพราะอิสลามมาเนี่ยแบบหมดปลดล็อก เอาของที่มาจากอัลลอ์วันสำคัญวันมีแค่กี่วันนะสองวันวันอีดเล็กกับอีดใหญ่ก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยคนเยโฮดีเนี่ยทรมานนะเวลาภรรยามีประจำเดือนป้าบเนี่ยสามีต้องอยู่นอกบ้านนี่จะตัดสิทธหมดเลยอธิบายเนี่ยแล้วก็รอให้ภรรยาหมดประจำเดือนก็ถามว่าประจำเดือนหมดยัง หมดยังเลนเนี่ยบอกว่าหมดแล้วเอาข้าวบ้านได้ทรมานอย่างนี้มาไม่รู้ว่ากี่ปีอ่ะพออับีุลมฮัมหมัดมาประกาศเป็นนับีุลส่สงคนไปถามเลยเรื่องประจําเดือนเป็นยังไงเพราะอึดอัดมานานแล้วกินข้าวกับภรรยาในบ้านหลังเดียวกันไม่ได้นอนบนที่นอนเดียวกันไม่ได้จับมือถือแขนไม่ได้ปรึกษาอะไรไม่ต้องอยู่ข้างนอกอะ่ะเพราะอัลกุรอาน ขอนบีมูฮัมมัดมาส่งคนไปถามนาบีพอถามนาบีอัลลอฮให้จิบรินเอาวะฮีความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์มาตอบกับนบีบอกว่ายัสอาลูนกักกอานิลมาฮีกุลฮุวอาอัจัฟะตซีลุนมิซะอัฟิลมาฮีอัลลอฮบอกมุฮัมมัดถ้าเขามาถามท่านเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนให้ตอบอย่างนี้ประจำเดือนนั้นเป็นของสุขบุรให้ อยู่ห่างกับภรรยาอย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาขณะที่ภรรยามีประจําเดือนแค่นี้พออยู่บ้านรังคาเดียวกันได้ไหมได้กินอาหารหม้อเดียวกันได้ไหมได้อยู่บนที่นอนเดียวกันได้ ไ, ได้ทั้งหมดจับมือถือแขนได้หมดห้ามกี่เรื่องเรื่องเดียวเรื่องหลับนอนกับภรรยาไม่ได้นี่กุรานมาม า, มาแก้ปัญหาบทหลอกพวกยะฮูดีใจฮามเดลิเลฉันขอบคุณพระเจ้ามากเลย ไม่เชื่อมัวหมัดเชื่อเป็นบางเรื่องไม่เชื่อหลายหลายเรื่องเห็นไหมไปนองทีงนี้ใครที่ไม่เอาหลักการนี้ไปใช้เอาไปนอนร่วมกับภรรยาตอนภรรยามีประจําเดือนรู้ไหมรอการเป็นโรคมาเรงที่มดลูกได้เลยอ่าใครไม่เชื่อเชิญตามสบายเลยโรคโรคมาเร็งมาเยี่ยมแน่เลยครับมาเยื่นถึงบ้านเลยถึงห้องนอนเลยฉันอยู่กับเธอนีแ่แหละ เพราะว่าทรยศต่อคำสั่งของอัลลอ์สุภาต์นี่อธิบายให้เข้าใจบางเรื่องอีกร้ อ, อยเรื่อง่ะที่คุณอ่านมาปดล็อกปดล็อกปลดล็อกปดล็อกพรานต้องขอบคุณอัลลอฮ์ท่านอิสลามนะครับเป็นหลักการที่ไม่ใช่สร้างภาระยุ่งยากใดๆกับศาสนาของอัลลอ์ต่อมาเรื่องที่เรื่องที่สีนะครับพี่น้องมิลลาตะอบบิกุมอิบรอฮีใช่หรือไม่ใช่ใช่สิ มิลาตาอบีกุมอิบรอฮิมอลลอฮุะัยฮบแปลว่าซึ่งเป็นหลักธรรมมิลาแปลว่าหลักธรรมของบรรพบะบุรุษอบีกุมแปลว่าบรรพบะบุรุษของสูงเจ้าคืออิบรอฮิมอลลอฮุะลัยบต่อการจะอธิบายอย่างนี้คงว่าอิสลามเนี่ยมันมีเรียกชื่อในสองสองชื่อนะชื่อที่หนึ่งเรียกว่าอะไรนะอิสลาม ชื่อที่สองอะไรนะมิลลาตมิลลาตุอิบรอฮิมก็ได้คําว่าอิสลามเรียกเดี๋สองชื่อเรียกว่าอิสลามหรือไม่ก็เรียกอะไรนะมิลลาตุอิบบรอฮิมเป็นอะไรนะเป็นหลักธรรมของนบีอิบรอฮีมต้องการอธิบายอย่างนี้มิลลาอิบบีกุมอิบรอฮิมเป็นหลักธรรมเป็นหลักคําสอนของพันบ้าบุรุษของสูเจ้าคือนบีอิบรอฮิม ถ้าจะเอ่ยคำว่าพันบาบุรุตไม่ใช่เอ่ยแค่ตต๊ะยอ่อแชร์เราไม่ได้นี่กุอ่านสอนนะถ้าจะเอ่ยคำว่าบัรพบบรุตต้องเอ่ยถึงใครนบีอิบราฮีมอะัยฮิสสาลาานั่นถูกต้องที่สุดเลยเอ้าวควรกวนกวนกวรค ว, ว, ว, ว, ว, วรุกมาจากนาบีคนไหนไม่มีคิดเองถ้ามาจาก บัพรพบุรุษต้องมาจากนาบีอิบรอฮีมอะไร His, คนอื่นไม่เกี่ยวนี่อลอชีบรรพาบรุษต้องอ้างถึงนบีอิบรอฮิมเท่านั้นถ้าว่านาบีอิบรอฮิมนะเป็นพ่อของศาสนายโฮดีศาสนาคริสต์อิสลามมาจากตระกูลเดียวกันหมดเลยทําไมพ่อในบีอิบรอฮิมมีลูกสองคนมีภรรยาสองคนใช่ไม่ใช่ที่รู้นะลูกคนแรกชื่ออิสมาอิน มารดาชื่อนางฮายาตพอมีลูกแล้วอลัลลอฮ์สั่งให้ไปไว้ที่นครมัตกะทัทั้งที่เซเวอีเลเวก็ไม่มีที่นั่นไม่มีเลยน่ะไปอยู่ที่กะบ้านน่ะบ้านไม่ไมีไม่มีต้นไม้ไม่มีอาหารไม่มีเห็นไหมนั่นน่ะไปไหว้ที่นั่นเสร็จแล้วก็ต้องก็รู้ประวัติศาสตร์เป็นยังไงเห็นไหมนั่นเป็นตระกูลของนบี ม, มุฮัมมัดนบีอิสมาอิลอิสลาม แล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งชื่ออนะไรอิสหางอยู่ที่ในปาเลสไต์เนี่ยลูกชายของนบีอิบรอฮิมนั่นเป็นต้นตระกูลของศาสนาทุกศาสนาที่อยู่ในโลกนี้ฮินดูเนี่ยศา ส, สนานะคริสเตียนยะฮูดีนสซอรนี่ทั้งหมดนี่มาจากตระกูลของนบีอิสมาอิสอิสหางหมดเลยจากนั้นนบีคนสุดท้ายของพวกบนันิ อ, น อ, สอิสลามคือนบีอิซาอัลัยฮิสสลามพวกนี้ก็นั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่นบีจะมาอีก ก็รอรอไปโปรที่ไหนมักกะมีแผนของใครของอัลลอสุลฮานอูวาตาลาผู้นี้ก็โวยว้ยนะอารับไม่ใช่พวกฉันที่นั่และพี่กับน้องเองก็แหละยาฮูดีลืมตัวอยู่กับอิสฮากมานาะอิบรอฮีมมานาะที่ท้าได้พี่น้องกั น, น, กนอัลลอให้โผล่ที่มักกะเป็นลูกหลานของลูกผู้พี่นบีอิสมาอิอะลัยฮิสลามคุณพ่อนบีอิบรอฮมต้นตระกูลใหญ่ ทั้งหมดในโลกใบนี้เห็นยังครับแผ่นร่างกาของอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาจัอันาแคะนั้นวันนี้ทะเลาะกันกัาพี่กับน้องใช่หรือไม่ใช่พวกเราก็เหนื่อยไปด้วยพี่น้องทะเลาะกันเองเล่าฮุอากบะใชไมเพราะไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดตลอดเลยว่าสหรับจะเชื่อใดงานนบีมุฮัมมัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมิลลาตออบีคุมอิบรอฮมแล้วก็ต่อมาครับ ฮุวาซัมมากุมุลมุสลิมีนอันนี้ตัวนี้อร่อยมากครับฮุวาซัมมาคุมุลมุวาเนี่ยมาจินอัลลอฮ์นะฮุวาเนี่ยเป็นโดมีสา ป, ปนามแทนคําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไงครับซัมมากุมทรงเรียกชื่ อ, อท่านทั้งหลายว่าเป็นมุสลิมเห็นอย่างครับทั้งหมดนี้เป็นมุสลิม น บ, บีมูซาเป็นมุสลิมนอีาซามุสลิมอิบรอฮิมเป็นมุสลิมน บ, บี ม, มุ h ั m m a d เป็นมุสลิมนี่อลัลลอฮ์สั่งเลยฮู้วา่าอัลลอฮ์ได้เรียกชื่อเขาเหล่านั้นว่าเป็นมุสลิมอลัลลอฮฺอักบัดมิงก็รู้ก่อนก่อนที่จะประทานอัลกรุรอานลงมาเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นมุสลิมวาฟีฮาดาและในคัมภีร์เล่มนี้กุณอ่านเล่มนี้ก็ เรียกว่ามุสลิมเหมือนกันแสดงว่าคนในโลกนี้เป็นมุสลิมทั้งหมดแต่ว่ามาเพี้ยนทีหลังใช่หรือไม่ใ ช, มใช่มาเพี้ยนทีหลังฉะนั้นคนที่มาในสมัยนบีอิมรอิบรอฮิมเป็นมุสลิมใครที่เชื่อนบีเป็นมุสลิมใครที่ขวางนาบีเป็นกาเฟตฉะนั้นเรากล้าพูดเลยว่าอิสลามมีมานานยังอิสลามมีมาน า, น, านแล้วเห็นไหมนี่เอาหลักนี่เป็นหลักฐานอายานี้หลักฐานว่ามุสลิม คนที่อิมานต่ออัลลอฮ์เป็นมุสลิมหมดเลยมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมกระจายนะห้ามเด็ดเลยแหลเอาต่อมาครับเรื่องที่ใดต่อมาเรื่องที่5้าเลียกุนารุรสูลุอาไลคุมชาฮิดันอาไลคุมเพื่อรอซูลจะได้เป็นพยานต่อสูรเจ้าประกาศอธิบายอย่างนี้ในวันกิยามะเนี่ยนบีจะต้องยืนประกาศ ประกาศวิยาอัลลอฮ์ลลาถาว่ามุฮัมมัดเอ า, าศาสนาของฉันไปเผยแผ่ครบยังนบีจะยืนประกาศฉันเผยแผ่ครบแล้วขอหลักฐานใครเป็นพยานอุ ม, ม่านาบีทั้งหมดต้องยืนขึ้นฉันขอยืนยันว่านบีมาทําหน้าที่ครบแล้วชาวบ้านนบีจะยืนมุฮัมมัดทำหน้าที่ครบแล้วคขาดเห็นไหมนี่โยงกับลูกอ่ะคืนรอดด้วยข้อต่อมาครับ ว่ตะกูนูชฮะวะกูนูชฮดันอาลันนาและสูเจ้าจะได้เป็นพยานต่อมนุษย์ชาติทั้งหลายทั่วไปพวกเรานี้เป็นพยานให้กับรุ่นก่อนๆที่มาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ก็ถามถามว่านาบีมูซาทำหน้าที่ครบไหมนบีอีซาทำหน้าที่หรือเปล่าถามทุกนบีเลยขอหลักฐานขอพยาน อุ ม, มาของนบีมูฮัมหมัดจะยืนขึ้นบกใช่นบีมูซาาทาหน้าที่ครบแล้วนบีอีซา ท, ทาหน้าที่ครบแล้วนบียูซุปทาหน้าที่รู้ได้ยังไงเราถารู้ได้ไงคำตอบก็คือนบีมุฮัมหมัดนั่นสอนฉันอธิบายให้ฉันฟังว่าบรรดา น, นาบีที่มาก่อนหนะ้านั้นเขาทำหน้าที่ครบบริบูรณ์แล้ว ทำไมต้งเ อ, อ่ยนบีเพราะนาบีเป็นนบีคนสุดท้ายอัชรอฟุลอัมบียะเป็นนบีที่มีเกียรติมากที่สุดคำอัมบีฉะนั้นเราต้องเป็นพยานให้กับคนรุ่นก่อนๆนอ น, น, นอด้วยเห็น ไ, ไหมครับนี่เราเองต้องยืนในทุกมาชาัดในวันเตียมานะครับเอาต่อมาครับข้อที่หอาคีมุสซาลาอัลลอฮุอะบดุลวาตุสจาคะเห็นไหมนี่หน้าที่ของเราในะข้อที่หกจงดารง นามาและจงบริจาคสักาดํารงนามาเขาเรียกว่าอิบาัตดา้านบอดานีด้านบอดีอ่านามานี่ใช้กิริยาใช้ท่าทางทั้งหมดเป็นอิบาัตด้านร่างกายเพราะฉะนั้นต้องนามาตครับถ้าใครไม่นามาตทรมานมากจะถูกต้นลงโทษเรื่องที่สองว่ า, าตุสักดับจ่ายสักาัเป็นอะไรนะเป็นอิบาัตดา้านทรัพย์สิง คนส่วนใหญ่เนะี่ยมีเงินดูกันทุกคนนั่นแหละมีมากมีน้อยอัลลอ์ให้ไม่เท่ากันคนที่มีพันล้านแสนล้านหมื่นมือนล้านต้องคิดถึงเงิน z a ก a t ก่อนนะถ้าไม่คิดจ a า a t นอนในกุโบโไม่สบายนะทรมานอะัลลอ์เล่นงานในากุโบโนะฉะนั้นคิดเรืาา่อง zakat คิดถดึง zakat แล้วเาก็ hadiyah กัส่ข้ออัลลอฮฺอักบัดเต่อมาครับข้อที่อปดข้อที่6ข้อที่เจ็ด wa ta simbil หัวเมาละกุมจงยึดให้มันแะวะตาซีมูจงยึดให้มันบินละฮีอัลลอฮ์จงยึดอัลลอฮ์ให้มันหัวเมาละกุมเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นไรนะเป็นผู้คุ้มครองสูเจ้าอัลลอฮ์อย่าไปยึดโตะตะเกียอย่าไปยึดโต๊ะระยออย่าไปยึดอะไรผ้าเขียวผ้าแดงอะไรข้อมือข้อมือเนี่ย ไปจงจิงจกมีใจไปยึดยิดขายยึดอัลลอฮ์ให้ยึดอัลลอฮ์ให้มั่นเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือท่านอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองท่านเอาต่อมาครับฟานีอามัลมาละอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองที่ดีเลอรเนี่ยมากแปลว่าดีเลิร์ประสูติเสดที่สุดแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองที่ดีที่สุด วันนี้อามันนอซีและเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีเลิศอัลลอฮ์ปะอุลมามะอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้คุ้มครองที่ดีเลิศเนี่ยคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้ริสกีใช่หรือไม่ใช่คนริมบ้านเราไม่เอาศาสนาเยอะมาเยอะไปหมดนะคนกินเหล้ากินยาเห็นยังังอัลลอฮ์ให้ริสกีไหมมีม ไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์ให้ดึกที่งอ่ะเนี่ยมันเมาละเป็นผู้คุ้มครองที่ดีที่สุดวันเนี่ยมันนาซีตคนที่เอาศาสนาเนี่ยนาซีตลอดคงช่วยเหลือคนที่อยู่เนี่ยศาสนาอัลลอฮ์ให้ชีวิตเขาอยู่แบบสนางามมีบรารักัดไปไหนมาไหนมีคนให้เกียรติยกย่อง <c oughs> ไฟโรติเล่าผู้ฟังเขาไปครองอะไรถามมาจากไหนอนมมาจากกงเทพ เออรู้จักยำกาแฟป่าบอกรู้จักเปไ็นไรกันผมเป็นลูกชายครับเชือดกาเลยเชือดกาตอนนี้ครับรู้ประกาศนาำก็นึกนี่เราไปไม่มีค่าเลยเพราะเอยเอยคนนั้นเอยคนนี้ความอร้อยเห็นไหมนะเพราะนั่นอาศัยอาศัยชื่อคนดีด ๆ, ๆ, ๆผมกออผม็อาศัยย่อผมอาศัยครูอิสมาอินไปน้องไปไหนผมเป็นลูกเขยครูอิสมาอิ น, นโอ้ตอนทราบใหญ่เลย ฉะนั้นยิ่งอยู่ในาศาสนายิ่งอยู่กับคนดีๆกับคนที่ทํางานาศา Allah, สนาอัลลอฮ์สั่งงานง่ายทำอยู่เลื่อยไปน้องหลายคนมาจากคอนเทนตจากสมทบทีจ่จับต้องเหมือนพูดว่าอัลลอฮ์เขาบอตอบรับดีเห็นไหมทำอยู่เลืล่อยฉะนั้นยึดอัลลอฮ์เป็นอะไรนะเป็นที่พึ่งเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีที่สุดนี่ภาษาอุดุอธิบายก่อนจบนะครับไปน้องอัก อินอามัดอิลาฮิกปัดดาโรผมชอบอามสซาอุดูจงให้ความสำคัญกับเนี่ยอมัดที่อัลลอประทานฮะ้ยาดูถูกเนี้ออามัดอัลลอฮ์อ่าเพื่อน้องมีบ้านเนี่ยอมัดว่ามีเมียอัลลอฮฺอักบรมีลูกเนอมัดมีรถเนี้ออมัดนึกถึงก็รอดตรงนี้อัลลอฮฺอักบาร์หม้ีลามีภรรยามีลูกมีบ้าน ถึงลูกมันจะเบี้ยวเบียวหน่อยก็ทำอาิลยหนาต่อขอโนอาเยอะหน่อยต้องนึกเจ้านั้นเนี่ยมัดของอัลลอ์ที่ให้มาแต่ละข้อนั้นต้องให้ความสำคัญอัลลอฮ์สาวยาจบแล้วนะเสอายาจบแล้วพี่น้องอาทิตย์หน้าอาจจะเริ่มสุรายนะอัลมุมินูนะครับก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่ตายนะก็อาทิตย์หน้าพบกันสุภานะอุ้มาวันดีกอัสซดลอลาิลาฮอลลอัอักกะะตูบิลมลกุมะะ์มตุลลอฮบะกตู